ไม่ควรดูหมินบุญพระพุทธภาสิทธมาวมัเยทะปุญยสะณมาตังอาควิสติอูดะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพ ป, ปูรติอาปูรติทีโรปุญยสะโทกังโทกังปิกอาจินังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมินบุญว่าบุญเล็กน้อยจักไม่มาถึงนักปราชสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มไปได้วยบุญเหมือนหม้อน้ำเต็มด้วยน้ำ ที่ตกทิละหยาดฉะนั้นอธิบายความํานองเดียวกับเรื่องบาปที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่ห้าแห่งวักนี้คือบุคคลสั่งสมบาปย่อมเต็มด้วยบาปชั้นใดคนสั่งสมบุญก็ย่อมเต็มด้วยบุญชั้นนั้นต่างกันแต่เพียงฝ่ายหนึ่งสั่งสมความชั่วฝ่ายหนึ่งสั่งสมความดีคนดีมีปัญญาย่อมใหม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยและเพิกเฉยเสีย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 เสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสองสีละไม่บุญจากการรักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียนสภาวนาไมัยบุญจากการอบรมจิตให้สงบผ่องแผ้วสีอ่อปปจายะนมัยบุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อมห้าวัยาวัจจะไมบุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่นห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 แต่การสั่งสมบุญสั่งสมความดีมีแต่คุณโดยส่วนเดียวทรับเลี้ยงชีวิตให้เป็นสุขในโลกนี้แต่ความดีให้ความสุขความชื่นใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าซั์ตามไปในปรโลกไม่ได้แต่ความดีตามไปได้บุญกุศลย่อมคอยพิทักษารักษาคนผู้มีความดีให้มีความสุขความปลอดภัยบุญกุศลเป็นผู้คุ้มครองที่ดีกว่าผู้คุ้มครองใดๆความดีเป็นสิ่งที่น่าทําจริงๆ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 เอาของเศรษฐีผสมลงไปในภาชนะทุกๆภาชนะในของที่เหมือนกันพร้อมกล่าวว่าขอผลอันยิ่งใหญ่จงมีแก่เศรษฐีคนใช้ได้เห็นอาการนั้นแล้วนำไปบอกแก่เศรษฐีในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีเนบกิดติดไปด้วยตั้งใจว่าถ้าชายคนนั้นกล่าวโทษไรๆของตนก็จะฆ่าบุรุษนั้นเสียเขาพยืนอยู่ในโรงครัวเมื่อถึงเวลาถวายอาหารพระสงฆ์บรุษผู้เป็นบัณฑิตได้ประกาศขึ้นว่า แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชิญชวนมหาชนถวายทานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากคนเป็นอันมากแต่ละคนได้ให้ของมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของตนขอผลอันไพศาลจงมีแก่คนเหล่านั้นด้วย เ, เถิดเศรษฐีได้ยินคํานั้นแล้วคิดว่าเรามาที่นี่ด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าบุรุษนี้เสียเมื่อเขาเอ่ยชื่อเราว่าเศรษฐีชื่อนอนทนหยิบข้าวสารเป็นต้นด้วยนิ้วแล้วให้แต่บุรุษนี้เอาทายาทามต่างๆมารวมกันแล้ว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 พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจากเศรษฐีแล้วตรัสว่าไม่ควรดูหมินบุญว่าน้อยบัณฑิตทำบุญอยู่บ่อยๆแม้ครั้งละนิดครั้งละหน่อยย่อมเต็มปริบุญดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามาว่ามันเยถะปุญญสะเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว